วิทยุราชมงคลธัญบุรีเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์ตเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์รับผลิตยาสมุนไพรในรูปแบบแคปซูลชนิดผงพร้อมชงลูกประครบพิมเสนน้ำรวมถึงเครื่องสำอาง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 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกมองหาโรงงานผลิตและศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสมุนไพรด้วยทีมงานหรืออาชีพราคาย่อมเยาวปลอดภัยได้มาตระฐาน гаранти ่คุณภาพเชิญที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร 02-592-1999 อาร์เอ็มยูทีทีนิวส์พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับทีระเดษงามเหลือที่คลีนีสแปดสิบเก้าจุดห้าเมกกะเฮิร์ตสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาร์เอ็มยูทีทีนิวส์พิกัดข่าวเด่นนะครับ วันนี้ก็กลับมาพบ ก, กับผมเดียวติดเด็กกามหรือเป็นประจำนะครับหลากหลายเรื่องราวนะครับที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ล้ว น, นแล้วเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแทบทั้งสิน้นที่อยากจะมาเตือนภัยกันมาพูดคุยบอกต่อแบ่งปันประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าสื่อสารมวลชนนะฮะวันนี้เนี่ยประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดคุยกันคือเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ครับเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เรื่องใกล้ตัวแบบนี้อยากจะให้ระแวดระวังกันนะครับหากว่าใครเนี่ยมีผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่ในบ้านการที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาแล้วล้วนแล้วเสี่ยงต่อผู้สูงวัยแทบทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากว่าไปเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่สมุดปราการครับค่อนข้างเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัว นะครับเนื่องจากว่าตัวของเจ้าของบ้านเองคือว่ามีคุณแม่ซึ่งก็อายุเยอะนะฮะเราราวประมาณแปดสิบสี่ปีแล้วทีงนี้บ้านของเขาเนี่ยได้เกิดเหตุเพลิงไหม้สิครับพอเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วการที่จะเคลื่อนย้ายผู้สูงวัยเนี่ยก็เป็นไปค่อนข้างที่จะยากลำบาก ผมมีเสียงบรรยากาศที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะคุณฟังฮะแล้วภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะ น, น่ากลัวเหมือนกันมีรถน้ำนะครับเข้าไปพยายามดับไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยครับไฟนี่โถมกระหน่ำเลยนะฮะลักษณะของบ้านที่ใกล้กั น, นคือว่าเป็นเหมือนแถวเฮ า, เขาสูงประมาณร า, ราวราวสามชั้นครับ รายงานเนี่ยบอกว่าคือเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการครับก็ใกล้เคียงเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งครับในซอยซับบุญชัยย่านตะบนบางเมืองโดยที่เพลิงเนี่ยลุกไหม้อย่างรุนแรงนะครับก่อนที่จะลุกลามจากชั้นล่างไปอย่างชั้นสามของบ้านก็ใช้เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับเจ้าหน้าที่จึงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับพบว่าทรัพย์สินในบ้านเนี่ยเสียหายมากกว่าร้อยละแปดสิบครับ นอกจากนี้ก็ยังพบศพของหนางจันแฝงจันดาอายุ84ปีด้วยที่ชั้นล่างสภาพศพคือว่าถูกไฟคลอกนะครับในซากกองเพลิงแล้วนอกจากนี้คือนายกิติทัตแสงสุขอายุ67ปีนะครับเป็นบุตรชายของผู้เสียชีวิตก็ได้รับบาดเจ็บถูกไฟลวกที่แขนเจ้าหน้าที่พยายามที่จะประถมพยาบาลในเบื้องต้นนะครับส่วนคนอื่นในบ้านเนี่ยก็ปลอดภัยนายกิติทัตนะครับบอกว่า ก่อนเกิดเหตุครับเป็นช่วงที่ลงไปที่ห้องครัวชั้นล่างเพื่อที่จะไปชงกาแฟครับระหว่างนั้นเนี่ยก็พบกลุ่มควันครับก็เลยรีบวิ่งมาดูมานดาซึ่งพักอยู่ที่ชั้นสองแต่ก็ไม่พบก็เลยย้อนกลับมาที่ห้องครัวนะครับไปพบมานดาคือว่านอนหมดสติตามร่างกายก็ถูกไฟลวกด้วยพยายามดึงตัวออกมาแล้วแต่ว่าเพลิงคือว่าโหมไหมอย่างรุนแรงประกอบกับคือตอนเองก็ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟลวกด้วย ไม่สามารถจะช่วยมาด่าออกมาได้จริงแต่สิงใจเรียกคนที่อยู่ชั้นสามให้รีบหนีโดยการปริญระเบียงไปอย่างบ้างหลังติดกันและก็ลงมาด้านล่างสาเหติในหน้าจะเกิดจากไปฟารัฐบกจรนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของนาฤกฤษ Language ต้องการตาลดดดดดดดดดตัด บากป praying จะไม่มาอีกที real เนาะะตอนนี้ปปรหนด得ปปร rando ล่วงงั้น Buddh 해 No one t-shirts ých ิ้นอยู่แล้วไปวิ่งกันสารเท่านั้นนี่หรือคนอายิงนอนอย pocz แล้วลงตัว Caitlin Lawhip เหมือประโทยคิตเกิด plains อุ๊ยต่าไป aula receivers ขอ forgot to apologize i've got anugt off have Просто a beat for Конечно to noацию. แล้ว króly ni ajw. Elizabeth Lacomicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic คือลูกชายของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยแล้วละ่ะแต่ว่าคือช่วยไม่ไหวจริงๆนะฮะไฟถาโถมอย่างรุนแรงครับดังนั้นจึงแตัดสินใจไปช่วยคนที่อยู่ด้านบนก่อนก็คือว่าเป็นหลานนะครับแล้วก็ใส่ยว่าข้ามไป ว่าอีกหลังหนึ่งเนื่องจากว่าปลูกติดกันเป็นแบบเทาเฮาส์นะฮะทีนี้เนี่ยที่บอกว่าน่าจะเกิดจากไฟ ฟ, ฟาร้าลัดวงจรนะครับต้องเตือนกันหน่อยนายวิชาการบอกว่าบ้านของใครนะครับที่ต้องใช้พวกปลักรางเยอะๆนะครับหรือว่าสายไฟที่ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วเนี่ยอยากจะให้มันตรวจสอบนะครับอีกอย่างแล้วปลั๊กไฟนั้น มันได้มาตรฐานมอกหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้เนี่ยต้องดูนะครับเพราะว่าสำคัญมากๆใครที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือทิ้งเอาไว้หรือว่าจุดทูบเทียนบูชาพระเอาไว้แล้วก็ออกจากบ้านเนื่องจากคิดว่าจะไม่เกิดอันตรายหรือว่าอาจจะไม่เกิดเหตุเพลิงไหม้นั้นตรงนี้คิดแบบนั้นไม่ได้แล้วนะครับเคยเหตุการณ์ซ้ำๆแบบนี้มาบ่อยเหลือเกิน จึงมาเตือนภัยกันทีนี้การที่จะหลบหรือว่าทำให้ตนเองปลอดภยัยรอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ได้นั้นต้องทำอย่างไรไม่ใช่เฉพาะบ้านหลังเล็กๆเท่านั้นนะครับหากว่าใครเดินทางไปที่ห้างสปปรรพสินค้าหรือว่าโรงแรมสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงนะฮะสิ่งหนึ่งเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอเหตุเพลิงไหม้พยายามคลานต่ำนะฮะคลานต่ำถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงสัญญาณเนี่ย ให้วิ่งหนีออกมาจากที่ด้านนอกให้เร็วที่สุดนะครับแล้วไม่ให้ไปวิ่งขึ้นสู่ที่สูงนะฮะทำไมถึงไม่ให้วิ่งขึ้นสู่ที่สูงเนื่องจากว่าควันเนี่ยครับคุณผู้ฟังครับมันลอยจากด้านล่างขึ้นไปที่ด้านบนหรือว่าลอยจากที่ต่ำขึ้นไปที่สูงนะครับโอกาสที่เราจะเมาควันสำลักควันนั้นมีสูงมากนะครับอันนี้การที่บอกว่าทำไมต้องมีการคลานต่ำเพราะว่าอากาศที่ด้านล่างเนี่ยที่เราคานไปอยู่นะฮะ ก็จะมีประมาณออกซิเจนมากกว่าอากาศด้านบนถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับเรายืนเดินหรือวิ่งนะครับนี่การเปิดประตูเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันลองสัมผัสได้นะครับถ้าเกิดว่าประตูนั้นมีความร้อนโอกาสที่ว่าไฟจะถาโถมมาตอนที่เราเปิดก็มีสูงมากผมเคยอยู่เหตุการณ์ที่มีการเตือนภัยเพลิงไหม้นี่นะครับของโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับ แล้วมันเกิดเหตุแบบทีทีๆกันเนี่ยห้าครั้งจนทำให้เราไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยสัญญาณที่ว่าคุณเตียงพายนั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือว่ามันเกิดผลกระทบบางอย่างที่ลูกค้าเข้ามาพักกันแน่เช่นทำยังไงฮะอาจจะเอาพวกผ้าเนี่ยไปแขวนไว้นะครับเอาไปแขวนไว้กับสปริงเกิลว่าอย่างนั้นนะครับผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับจน จนแยกแยะไม่ออกเลยสัญญาณเตือนเนี่ยไม่จริงหรือเปล่าเนี่ยแต่วิ่งไปก่อนนะฮะคุณฟังฮะผมก็วิ่งไปก่อนครับแล้วก็ทุกครั้งที่เวลาเราเดินทางไปที่ไหนจะสังเกตป้ายทางหนีไฟเอาไว้นะครับครั้งนั้นเนี่ยที่บอกว่าเจอสัญญาณเตือนภัยสัญญาณไฟไหมใช่ไหมพอมันครั้งที่ห้าแล้ววิ่งฮะวิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งแล้วก็หาช่องทาง ทางหนีไฟลงมานะครับและพอกลับไปเนี่ยพบว่าอ้าวมันไม่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้นี่นะไม่เป็นไรครับขออย่าเกิดก็พอแต่เราต้องรับมือกับเหตุเพลิงไหม้ให้เร็วที่สุดดังนั้นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของเพลิงไหม้นั้นนะครับหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณเจอเหตุการณ์คุณต้องหนีทันทีครับไม่ต้องมัวรอเอาเข้าของใดๆทั้งสิน้นสองหาช่องทางหนีไฟครับนะสาม ใช้วิธีการทำตัวให้ต่ำที่สุดเพื่อที่จะหลบหนีเนื่องจากว่าปริมาณออกซิเจนด้านล่างเนี่ยมันมากกว่าด้านบนอยู่แล้ว 4. ต้องคอยดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าประตูที่เราจะเปิดนั้นมันมีความร้อนไหมสัมผัสได้นะครับถ้าเกิดว่ามีความร้อนก็ให้เลี่ยงไปที่อื่นเนื่องจากว่าโอกาสที่ไฟมันไหม้ที่บริเวณจุดที่เราจำจะเปิดประตูนั้นอาจจะท้าโถงเข้ามาใส่เราได้นะครับและถ้าเกิดเป็นไม่ได้ ะะคุณเจอน้ำคุณเอาน้ำลาดตัวเลยนะครับเพื่อที่จะให้ตัวนั้นเปียกชุ่มที่สุดป้มองกันไฟเนี่ยจะมาลุกลามกับตัวเราได้นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่อยากจะนำมาเตือนภัยกันเพราะว่าอย่างประเทศไทยของเราพื้นที่กรุงเทพแล้วก็บริเวณทุนนะครับมักจะเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยบ่อยใส่ไฟก็สำคัญนะฮะใส่ไฟเนี่ยผมเคยไปทำข่าวเกี่ยวกับเรื่อ ง, องของความปลอดภัยอยู่บ่อยครั้งเคยเจอประสบการณ์ตรงก็อยากจะมาแบ่งปันกัน สายไฟต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเก่ามากก็ให้เปลี่ยนซะปลั๊กไฟนะครับที่เก่าแก่ก็เปลี่ยนนะครับที่สำคัญเล ย, ยคืออย่าไปชาร์ตโทรศัพท์ทิ้งเอาไว้นะครับเขียนทูบต่างๆจุดเสร็จแล้วรอให้มันหมอดดับก่อนดีกว่าหลายคนนะครับที่เคยเกิดเหตุจุดเขียนทูบเอาไว้แล้วก็ออกจากบ้านไปกลับมาบ้านเกิดไฟไหม้ไปแล้วนะครับเป็นอุทาหรณ์ที่อยากจะมาเตือนกัน เดี๋ยวช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับพักกันสักหน่อยดีกว่าในช่วงหน้าครับอยากจะมาพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นการก่อสร้างนะครับคนกรุงเทพเองหรือว่าคนที่อยู่ในหัวเมืองใหญ่ๆมีการก่อสร้างคอนโดโรงแรมสิ่งกล่อสร้างที่มีความสูงเนี่ยนะฮะต้องระวังเพราะว่าชีวิตนั้นมีความเสี่ยงภัยเหลือเกินล่าสุดนะครับโรงเรียนอสัมพันธ์คอนแวนต์เนี่ยนะครับปรากฏว่ามีสิ่งปลูกสร้างสร้างอยู่ใกล้ๆโรงเรียน แล้วเครนเนี่ยมันตกมาใส่แล้วทับศีสารษะนักเรียนบาดเจ็บสาหัสนะครับสักคู่มาคุยการเรื่องนี้นะครับในรายการ RMTT News พิกัดข่าวเด่นกับผมธีรเดชนะวเหนือนะครับ RMTT News พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับธีระเดชนะวเหนือที่คลื่นนี้แปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์ต พิมพ์ติ้งแอนด์แพ็กเกจิ้งอย่างดีไซเนอร์จุดเตาสิ้นไนทีนสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอชวนน้องน้องนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวชเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายกราฟิกบนถุงผ้าลดโลกร้อนชิงเงินรางวัลรวมหนึ่งหมื่นห้าพันบาทพร้อมใบประกาศนียบัตรกฎเกณฑ์ง่าย สมัครเดียวหรือกลุ่มไม่เกิน3คนใช้ไอเดียออกแบบให้เต็มที่ส่งผลงานเป็นแบบร่างขนาด A3 ถ่ายภาพผลงานพร้อมส่งใบสมัครได้ที่ facebook.com slash digitalprinting rmutt ตั้งแต่บัตรนี้ถึงสองกรกฎคม2562สอบถามเพิ่มเติม02 549 4531และที่087 518 1624 rmuitt news ปิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับทีระเดษงามเหลือที่คลื่นนี้แปดสิบเก้าจุดห้าเมกกะเฮิร์ตกลับเข้าสู่ช่วงที่สองนะครับของรายการ rmuitt news ปิกัดข่าวเด่นนะครับกับผมเดียวทีระเดษงามเหลือนะครับหรือว่าทันชนน์งามเหลือ น, นั่นเองนะฮะแนะนำนะครับเว็บไซต์กันหน่อยครับตอนนี้ทำบล็อกขึ้นมานะครับชื่อ www dot thannews.org นะครับ thannews.org สกุลนะครับ t h a n news นะฮะก็คือ n e w s .org นะครับผมก็สร้างบล็อกขึ้นมาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการทำงานด้านสื่อมวลชนหรือว่าผลงานของผมต่างๆนะครับที่ได้มีการจัดราย ก, การวันใหม่ไทย PBS ทางดิจิตอล HD สามนะครับรายการลบวงข่าวรายการข่าวเที่ยงไทย PBS รายการเปิดบ้านไทย PBS อีกหลากหลายอย่างนะครับที่ได้มีโอกาสได้ทำเพราะว่าเรารักในอาชีพนี้จึงอยากจะมาแบ่งปันรวมถึงนะฮะการจัดรายการวิทยุ 89.5 นะครับผมก็ทำเป็นพอสแครดให้เอาไปได้รับฟังกันทางออนไลน์ด้วยนะฮะนี้พอเราทำมาสักระยะหนึ่งแล้วก็มีความชิวชานพอสมควรก็อยากจะมาแบ่งปันน้องๆที่พยายามจะสอบถามนะว่าจุดเริ่มต้นนั้นอย่างไร ทางที่ดีคำแนะนำเลยนะฮะมีท่านท่านหนึ่งนะครับที่เป็นคนคอยปลูกปั้นมาตลอดเลยนะฮะท่านวีรัโตโหราวิทยานะครับใ น, นขณะนี้เนี่ยท่านก็เป็นนักศาศารการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับคนนี้เนี่ยเป็นนักปั้นมือทองที่พลักดันตัวผมเองเนี่ยมาตั้งแต่สมัยยังเรียนชั้นไปที่หนึ่งเลยอ่าดังนั้นน้องๆเองนะฮะที่กำลังรับฟังอยู่นะฮะกำลังหาที่โรงที่เรียนยังไงแนะนำครับไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีหลายคณะครับที่ให้เลือก แม้ว่าคุณไม่ได้จบทางด้านสื่อสารมวลชนมานครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณรักในสาขาอาชีพสื่อสารมวลชนมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีจริยบัณฑ์นะครับความเป็นสื่อมวลชนเนี่ยนะเชื่อว่าเดี๋ยวก็จะมีคนคอยผลักดันปลุกปั้นอยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกับตัวผมเองนะที่ได้ถูกปลุกปั้นผลักดันมาตลอดพี่พี่ทุกคนก็น่ารักด้วยนะ น, นี่ก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะน้องๆที่บางคนจะถามมาว่าเส้นทางมันเป็นยังไงนะครับนี่คือคร่าวๆและเบื้องต้นนะ แต่ว่าเดี๋ยวจะไปแบ่งปันนะครับในบล็อกและกันบล็อกที่ว่าผมทำอยู่รวมถึงเฟซบุ๊กเพจด้วยนะฮะนักขา่าวพักสนามก็เข้าไปติดตามกันได้อา้าวเดี๋ยวเหตุการณ์ต่อไปเนี่ยจะมาเล่าเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของไฟไหม้ครับไฟไหม้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะฮะที่เราต้องมาเตือนกันอยู่บ่อยๆก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับคุณผู้ฟังลองสังเกตดูนะฮะ ร, รอบข้างของเราเนี่ยนะฮะในบ้านเนี่ยปลั๊กกรางมันเป็นยังไงมันได้คุณภาพไหมไปซื้อมาราคาถูกก็จริงฮะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีม อ, อ ก, กอ ถ้าเกิดว่าไม่มีมอกอนะาามาตรฐานความปลอดภัยอะไรอย่างนี้นะฮะมันจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้มันจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดความช็อครุษเสียหายแล้วไฟไหม้ได้นะฮะมีเหตุการณ์ที่จะเล่าให้ฟังครับที่ตราดนะฮะคือเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรครับแล้วก็วิจจะไหม้บ้านทั้งหลังเลยนะฮะ ตามรายงานนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวฟังเสียงบรรยากาศไปด้วยนะฮะคือนักข่าวในพื้นที่เนี่ยที่จังหวัดตราดคุณภูริศักดิ์บุญลอยเนี่ยนะครั บ, า ร, บรายงานว่าได้เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรนะครับแต่ว่าโชคดีนะที่ว่าเจ้าของบ้านคือเขาสังเกตไงเขาได้กลิ่นนะเขาได้กลิ่นเหม็นไหม้ก็เลยแจ้งกู้ภยัยเนี่ยให้มาช่วยดับไฟทางนะครับ ทางด้านกู้ภัยก็ลงพื้นที่มาครับมาตรวจสอบนะครับในพื้นที่เพราะว่ารับแจ้งเหตุว่าเกิดเพลิงไหม้บ้านบริเวณตรงข้ามกับซอยแหลมทองหลางก็เลยนำกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยดับเพลิงเนี่ยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวฮะกู้ภัยก็ตรวจสอบเพลิงกำลังลุกไหม้บริเวณห้องเก็บรองเท้าซึ่งต้นเพลิงเนี่ยเป็นแผงวงจรควบคุมไฟฟ้าก็เลยใช้ถังดับเพลิงเนี่ยครับฉีดพ่นเข้าไปฮะ ฉีดพ่นเข้าไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้เพลิงเนี่ยลุกลามก่อนเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเป็นแผ่วงจรควบคุมไฟฟ้าไหม้เกือบทั้งแผ่เจ้าของบ้านครับบอกว่าไม่ค่อยอยากจะให้ข่าวเลยนะไปฟังเสียงเขาหน่อยนะมันเป็นตกตกมันเลยมีเสียงอะไรไหม เบบีเสียงตอนนั้นทำอะไรอยู่ฟังไฟฟังไฟฟังเสียงเราไปกินไปมั่วไปมุกไปมุกไรปวดเยอะเยอะอันเดียวก็ตามเอาหลังตามเงี้ยหรอต่อต่ออะไรอย่างนี้เลยมันหนักตัดทุนนั่นตีดีดีมีประโยชน์ฟังเสียงอาจจะไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันเป็นเสียงในพื้นที่นะครับแต่ว่านี่คือเสียงของเจ้าของบ้านนะครับ พอมีการตรวจสอบไปแล้วนะฮะคือไหมไม่เยอะก็จริงแต่อย่าให้ไหมหนักมากกว่านี้เลยนะฮะไม่อยากให้เกิดความสูญเสียนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูประเด็นอื่นๆบ้างดีกว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยคือหยิบยกเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเรื่องใกล้ตัวเหตุเพลิงไหมเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันเนื่องจากว่ารุนแรงนะครับเป็นเรื่องที่เราเนี่ยต้องคอย เฝ้าระวังนะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะคุณฟังอาจจะเคยได้ยินอยู่บ่อยๆนะฮะคือไฟไหม้บ้านครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันสูญเสียหนักมากนะครับมันหนักมากจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยตามคำแนะนำนะครับของนักการคุณที่เขาเที่ยวชาติเนี่ยเขาอยากจะให้มีการตรวจสอบบัตรกราฟที่เราใช้อยู่นะฮะมันเก่าไหมมันได้มาตรฐานหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็ควรที่จะเปลี่ยนเลย นะครับอีกอย่างหนึ่งคื อ, อสายไฟเนี่ยมันเก่าเปล่าเก่ามากไหมเพราะลองสังเกตดูในข่าวเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้นะเกิดเหตุจุดหนึ่งแล้วมันก็ลุกลามครับลุกลามเนี่ยไปบ้านข้างเคียงเพราะว่ามันไปตามสายไฟฟ้าไงฮะมันไหม้สายไฟเก่าๆใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยพอมันไหม้มันก็ลุกลามไปอย่างรวดเร็วก็เนี่ยไปตามสายไฟฟ้าเลยนะครับก็ควรที่จะมีการตรวจสอบด้วย นะครับอเดี๋ยวนอกเหนือจากนี้แล้วนะฮะติดตามเรื่องของน้ำไหลหลากหน่อยนะครับไปทางใต้กันสักหน่อยนะฮะคุณผู้ฟังฮะทางใต้นี่นะฮะตามรายงานบอกว่าเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเลยนะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ทำให้ปริมาณน้ำในคลองสินปุ่นนะครับพื้นที่หมู่4ตำบลสินปุ่นอำเภอเขาผนโหนมจังหวัดกระบี่นะครับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ห ล, ล้นตลึงค์นะครับท่วมสะพานคลองสินปุลช่วงรอยต่อระหว่างตำบลสินปุลอำเภอขาวพนมจังหวัดกระบี่นะครับกับตำบลกุระอ่ำอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนควรศรีธรรมราชที่ผมไปบ่อยในเมื่อก่อนนี้คือว่าทำเหตุการณ์น้ำท่วมนะฮะแล้วก็เป็นเส้นทางหลักที่ชาวบ้านเนี่ยใช้สัญจรปรากฏว่าระดับน้ำนะครับสูงประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเซนติเมตรนะครับรถจักรยานยนต์สัญจรผ่านได้ความลำบากครับส่วนรถยนต์ที่วิ่งผ่านได้หนึ่งช่องจราจร ขณะที่ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงต่อเนื่องก็ได้ไหลาเข้าท่วมเส้นทางเข้าหมู่บ้านพื้นที่การเกษตรสวนยางพาราปั้มน้ำมาหลายจุดชาวบ้านก็เตรียมขนย้ายทรัพย์สินสัตว์เลี้ยงวันที่ปลอดภัยก็เตรียมพร้อมนะครับอพยพคนออกจากพื้นที่ด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่นะครับที่แขวงการทางจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่นะครับข้ามถนนสีตรังบริเวณหน้ากองร้อย ตำรวจตรวจเวรชายแดนที่426กระบี่ตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่นะครับเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมนะสำซากที่บริเวณนี้พร้อมกับมีการประสาออนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้เร่งทำการขุดลอกขยายเส้นทางระบายน้ำที่ไหลายผ่านชุมชนที่ตั้งอยู่ปลายน้ำก่อนที่จะไหลายลงสู่ทะเลเพื่อป้องกันน้ำท่วมนะครับเนื่องจากว่าขณะ น, นี้มีฝนตกต่อเนื่องด้วย สำนับกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่นะครับออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยนะรวม5เขต21ตำบล82หมู่บ้านแล้วก็ชาวประมงพื้นบ้านนะครับที่ต้องน ำ, นำเรือไปใช้ในการโดยสารกับนักท่องเที่ยวให้ระวังอันตรายนะครับจากฝนที่ตกหนักอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคนลนถล่มด้วย แล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนะฮะคงต้องเฝ้าระวังนะครับตั้งแต่วันที่แปดถึงสิบสองมิถุนายนนี้นะครับเนื่องจากว่าย่อมความโกฏอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยพัดปกคลุมภาคใต้แล้วก็มีลมมรสุมนะครับตวันตกเฉียงใต้าเนี่ยพัดปกคลุมทำให้ทะเลอดามันนะฮะมีฝนตกหนักแล้วก็มีคลื่นลมแรงเนี่ยสูงประมาณสักสองเมตรนะครับก็เตือนชาวใต้หากใครเนี่ยมียัดยาด่าอยู่ในพื้นที่ทางใต้ก็ต้องระวังด้วยละกัน นะครับที่กระ บ, บี่นะฮะที่ตรังเนี่ยที่ตรังก็มีการออกประกาศเตือนเช่นกันนะครับตอนนี้เนี่ยทางใต้คงต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าอุตุเนี่ยก็มีการเตือนออกมาแล้วนะครับที่ตรังมีการเตือนยังไงนะครับคือตามรายงานแล้วเนี่ยนะฮะที่ตรังนะครับเดีย๋ยวผมขอดูข้อมูลสักครู่หนึ่งเพื่อความถูกต้อง ที่ตรังมีการออกประกาศเตือนเหมือนกันนะครับว่าให้รับมือกับฝนตกหนักแล้วก็ขึ้นลมแรงนะครับวันที่8ถึง12มิถุนายนเหมือนกันนะนี่ชาวใต้ครับไม่ใช่เฉพาะที่ตรังกระบี่แล้วนะนี่ฮะฟังเสียงฝนนะฮะฝนตกหนักมากนะครับล่าสุดคือว่านายไพบุญโอมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับซึ่งตอนนี้คือ ประบาดราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็ลงนามคำประกาศกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภาาัยจังหวัดตรังนะครับประกาศแจ้งเตือนผ่านทุกอำเภอนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายแจ้งเตือนภัยไปถึงประชาชนนะครับในพื้นที่เสี่ยงให้ระมัดระวังและก็เตรียมความพร้อมรับมือเรื่องฝนตกหนักคลื่นลมแรงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มด้วยต้องเน้นย้ำนะครับว่าใครที่อาศัยอยู่ที่ ริมชายฝั่งทะเลหรือว่าบริเวณที่ลาดเชิงเขานะครับพื้นที่ที่มีภูเขาสูงชันหรือว่าที่เคยเกิดเหตุเมื่อก่อนนะฮะให้ระหวังมีการสั่งการครับให้ทั้งตำรวจน้ำนะครับทางด้านของเจ้าท่าประมงแจ้งเตือนการเดิอนเ ร, อเรือเรือเล็กเรือประมงเรือท่องเที่ยวเรือข้ามฟากหรือว่าเฟอร์รี่นะฮะให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็จัดเตรียมอุปกรณ์ชูชีพให้เพียงพอด้วยนะครับ ให้ถือวัตถุดาบอย่างเข้มงวดในการตรวจสภาพความพร้อมก่อนออกเรือแล้วก็ทุกฝ่ายเนี่ยติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของข้าราชการอย่างเคร่งครัดด้วยนะฮะก็ฝากเตือนฮะนี่เราพยายามแจ้งเตือนไปใครมีญาติอยู่ในพื้นที่ทางใต้ให้เขาระวังเรื่องฝนตกหนักด้วยนะครับวันที่แปดถึงวันที่สิบสองมิถุนายนนะนะครับฝนยังตกอย่างต่อเนื่องด้วยนะฮะ เอาละครับพอสมควรนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยมาแบ่งปันเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมนะเรื่องไกลตัวต่างๆนะครับซึ่งอยากจะให้เราเนี่ยรู้เท่าทันนะฝากเลยนะครับผลงานนะครับผมจัดรายการวันใหม่ไทย PBS ทางดิจิตอล HD สามตีห้าจนถึงสิบโมงเช้านะครับมีรายการข่าวออนไลน์ด้วยนะครับรายการล้อมองข่าว รานคารวบธงชาต์นะครับจนถึงเวลาเก้านาฬิกากว่าๆแล้วก็ฝากเว็บไซต์ด้วยนะครับเว็บเว็บทันนิวส์ .org นะครับก็ทำขึ้นมาเพื่อที่จะแบ่งปันประสบการณ์ผลงานต่างๆแต่วันนี้เนี่ยเวลาหมดไปก่อนนะไม่ทันได้มาแบ่งปันเรื่องของการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์จะสามารถเข้าไป ด, ดูในเว็บไซต์ต่อได้านแล้วกันนะครับขอบพระคุณนะครับมหาวิจัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอบพระคุณนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับพบกันใหม่ ในครั้งหน้าครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ RMUTT News พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับทีระเดษงามเหลือที่คลมื่นนี้ 89.5 เมกะเฮิร์ต